ขอความเจริญในธรรมจะมีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมงพระบทุทธยาณได้นำเสนอการแสวงหาทางสัสรูของพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมาโดยดับดับตามปกติที่เราเรียนในหนังสือพุทธวัตกวิก็ดีปฐมสมโพธิกถาก็ดีพุทธานุพุทธประวัตกวิก็ดีหรือแม้แต่พวกประี่ศแผงทวีปเอเชียพระพุทธองค์เสด็จเป็นต้น เหตุการณ์ในช่วงก่อนที่จะสัตย์รู้ไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่ว่าทรงดำเนินการปฏิบัติมีขั้นตอนต่างๆเรื่องอะไรโปรงมองโลกอย่างไรโปร่งมีความคิดอย่างไงแล้วทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไงแต่ถ้าเราไปศึกษาติดตามในพระไตรปิฎก ก็จะพบว่ารับสั่งเล่าถึงเหตุการณ์ต่างก่อนการสรัตรูเป็นอันมากก็แสดงว่าช่วงตรงนั้นไม่ใช่ระยะสั้นๆแต่ก็ทรงปรับทิศทางในการสแสวงหาหนทางเพื่อการ ส, สัตรู้อยู่ไม่ใช่น้อยในประเด็นแรกคือจะรู้ประเด็นอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน พระบาลีจะใช้คาว่าโดยสมัยนั้นครั้งหนึ่งครั้งนั้นแลเป็นต้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าอะไรก่อนหลังแต่ก็ธรรมะแต่ละข้อจะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังก็ตามก็ถือว่าเป็นความสาเร็จในจุดเหล่นั้นแยกแยะออกไปได้อย่างชัดเจนในแต่ละจุดแต่เรามองเป็นองรวมแล้วก็คือเรื่องของอริยสัจนั่นเอง หรือว่าส่งใช้ความคิดพินิษพิจารณาตรวจสอบมาตามลำดับประเด็นแรกก็ทรงตริหรือทรงตรึกเขาเรียกวิตกวิตกหรือวิตวตกโกนะฮะโคตรสุขเพื่อการสัสรูข้อความที่รับสั่งเล่าก็คือจะบอกก่อนจะรับสั่งก่อนว่าภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การสัจรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้สัสรูก็ได้เกิดปริวิตกขึ้นตั้งคำถามขึ้นมาและพยายามหาคำตอบด้วยพรองเองว่าอะไรเป็นรสอร่อยในโลกและอะไรเป็นโทษของโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องสรัดออกจากโลก คำถามเหล่านี้จะเป็นคำถามที่ทรงแสดงไว้ตามโครงสร้างของอริยสัจก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทรงมองไปที่อะไรเพราะว่าคำว่าพวกรสอร่อยในโลกเนี่ยมันมีอยู่เป็นนันมากแต่ว่าในที่นี้ในคราวนั้นก็ทรงดับดิว่า สุขสมอนาที่ปรารบโลกเกิดขึ้นนี้เองเป็นความอร่อยในโลกหมายความมาพวกพวกกามาคุณทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสผทธภัธรรมารมที่ใจไปกำหนดด้วยอำนาจความใคร่แล้วเกิดความอยากแล้วมันสมตามที่ใจมันอยากกระบวนการตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า มีพระประสงค์จะแสดงช่วงไหนอาจจะแสดงมาช่วงจากข้างในคือภายในจิตก็ได้หรือแสดงจากช่วงรับสัมผัสก็ได้บางคราวจะทรงแสดงจากข้างในหมายความว่ามันมีการมะธาตุคือเชื่อของความใคร่จุกพอมีกรรมะธาตุใจก็ไปกำหนดกรมสัญญาคือการจำหมายวาเนี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ เสรแล้วใจก็เหนียวนึกจึกนึกขึนมาว่ารูปนี้น่าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเสียงนี้น่าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเป็นต้นก็แล้วแต่จะปะลาโรคอะไรขึ้นมาทีนี้ในที่สุดเมื่อคิดถึงมากๆเนี่ยมันเกิดเป็นก็เรียกว่าฉันทะคือความพอใจมันเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งมันใจก็ร่าเ ร, าร้อนก็เรียกปริลาหะคือใจมันจะมีความ ร, าร้าเรอนด้วยแรงปรารถนา ตรงนี้ถ้าหากว่าแต่ละคนได้สังเกตพฤติกรรมทางจิตความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเห็นว่ามันเป็นสาภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตความโลภเกิดขึ้นด้วยการประรบอารมณ์จากข้างนอกหรือว่าเหนยวนึกจิดนึ ก, น ก, นกจากข้างในก็ได้มันจะมีอาการร้อร้อนและจิตมันสายไปมันแล่นไปมันมุ่งไปหาสิ่งที่ใจใคร่จะปรารถนาจะพอใจ ทีนี้พอร้อนขึ้นมามันก็เกิดความอยากความอยากก็ดิ้นรนสแสวงหาการสแสวงหาเห่านั้นก็ขึ้นอยู่กับพุทธิภาวะของผู้สแสวงหาบางครั้งก็สแสวงหาโดวยวิธีการที่ผิดบางครั้งก็สแสวงหาโดวยวิธีการที่ถูกแต่พอได้มาเนี่ยมันเกิดอันสาธะคือความยินดีก็จะมีใจกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งที่ ตนใครตนปรารถนาตนพอใจแล้วก็ได้มามาตอบสนองความต้องการในตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตว่าอะไรก็ตามนะได้มาใหม่ๆแล้วก็ใจมันเฟื่มีความกำนัดความเพลิดเพลินความพอใจแต่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นกฎของธรรมชาติคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนไปเป็นธรรมดาพ้นโทษของวัตถุกรรมที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราครอบครอง เรารู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นนะเราได้เรามีหรือเราเป็นก็นแล้วแต่แต่จะประรบในจุดไหนก็ตามแต่ว่าสภาว่ามันเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะแล้วก็สิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเวลานำมาสั่งสอนก็จะสั่งสอนให้มองเป็นความต่อเนื่อง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 ยางน้อยก็เกิดอาการจางคลายขึ้นภายในใจที่เราท่า น, นเรียกว่าวิราคะทีนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นเป็นโทษเป็นโทษของวัตถุการมที่เราไปถือครองครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของไว้มากเท่าไหร่เนี่ยที่จริงจะเทียบเคียงดูแล้วทุกโทษก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะความมีเนี่ยที่จริงมันเพิ่มความทุกข์ จากใดที่เรารู้สึกประมีตรงนั้นก็มีตัวนั้นก็ของเราของเราของเราสมมติว่าดูง่ายๆว่าบ้านเรามีทักงสามหลังอยู่กรุงเทพหลังหนึง่งอยู่เชียงใหม่หลังหนึง่งยูภูเก็ตหลังหนึง่งสมมติตัวอย่างนั้นเวลาเหตุการณ์เกิดเปลี่ยนแปงลงลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกรุ่มตัวนิยมวิทยารายงานในจุดใดจุดหนึ่งก็ตามนะฮะคนเราก็อยู่ได้ทีละหลัง่ะทีละแหง่ง ใจมันจะมีความพิจกกังวลหวงใหญ่ต้องติดต่อต้องโทรศัพท์อย่างคนปัจจุบันเนี่ยก็นึกดูว่าสร้างปัญหาแก่ตัวเองเยอะเลยมีทั้งเพจมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งอะไรไม่รู้หลายอย่างแขวนรอบเซล เ, เลยแล้วก็กลายเป็นไม่มีอิสระทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในขณะนั้นก็ถูกเรียกจากเพจบ้างจากโทรศัพท์บ้าง แล้วคนก็พอใจที่จะให้ตัวเองบุนวายอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันอัาทะคือมีความกำลัดความเพลิดเพลิน ค, ความยินดีแต่ก็ไม่ได้นึกว่าจิตใจนั้นจะเพิ่มความมิตกุกังวลสมมติว่าบ้านที่เชียงใหม่โทรศัพท์มาว่ามีอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นผล ท, ท้ายเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่นั่นเอง จากนั้นก็จะนอนกระสับกระส่ายโทรศัพท์ถึงคนนั้นถึงคนนี้ถึงคนนั้นกูวุ่นกันไปเป็นแถวไปมันก็สืบเนื่องมาจากความมีพอมีแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครัดูแล้วคล้ายๆจะเป็นสุขแต่ก็ไม่เป็นสุขนะครับเพราะอะไรเพราะเราก็อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่การถือคร อ, องการครอบครองสิ่งต่างๆเนี่ยนะและถ้าใจไปควา้าไปยึดติด ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็ยากที่จะให้เกิดความสุขหรือความสงบขึ้นมาทีนี้ทํายังไงว่าเป็นทางออกให้เราสังเกตว้จะตั้งขึ้นมาถามหนึ่งอะไรเป็นคุณสองอะไรเป็นโทษสามอะไรคือทางออกตาออกจากโทษ ในกรณีนี้ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดหรอกว่ะยังไงยังไงโลกมันก็มีวัตถุกรรม น, นะัเพียงแต่ว่าการเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมทั้งหลายนั้นสุขมันน้อยแต่ว่าทุกมันมากตรงความสามารถสังเกตได้นะแม้แต่พระบิณทบาทกับฉันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงก่อนจะฉันกับช่วงขณะฉันแล้วก็หลังจากฉันไปแล้วเนี่ย ช่วงหลังจากฉันกับช่วงก่อนฉันเนี่จะนานมากกินเวลาเยอะโชวฉันนิดเดียวเองแล้วอรอห ย, อยุดนิดเดียวเท่านั้นเองแต่คนก็มีความพอใจมีความยินดีที่จะเป็นเช่นนั้นไอ้นั้นมันเป็นเรื่องอาหารก็ไม่รู้จะไหวยังไงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสโลกมันอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ว่านี่บางสิ่งบางอย่างที่บุคคลสามารถบรรเทาจิตใจของตัวเองไว้ได้ โดยไม่ให้มีความกหนัดเพื่อเพลินยินดีจนเกินไปเพราะการการจะออกจากทรงนั้นไม่ใช่ไปทำลายตัววัตถุตอนนี้ท่านวางหลองสังเกตว่ า, าศาสดาในาศาสนาต่างๆในยุคสมัยที่ทรงผชญอยู่นะบบางาศาสนานั้นจะรุนแรงมาก เช่นไปทุบไปรื้อทิ้งไปไปรื้อทิ้งไปทําลายไปเออทุบรูปเคารพต่างๆเทวาัยต่างๆสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งคนในยุคก่อนเคารพนับถืออยู่เนี่ยไม่ให้เคารพนับถือรูปเคารพเหล่านั้นดูแล้วมันก็สะใจนะฮะสมักพวกที่เป็นบริวารแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นการทําด้วยโลภะโดยโทสะโดยโมหะโดยเฉพาะโทสะกับโมหะนี่มันมาก อโลภาก็คืออยากให้เขามานับถือตนกับสิ่งที่ตนนับถือโตสะก็คือโกรธรูปเคารพเหล่านั้นทั้งๆที่เขาไม่มีบิญญาตอะไรที่มีคนนับถือก็เกิดริษยาเลยกทุกทิ้งแม่แต่รูปเคารพทั้งหลายแล้วมันก็โมหะเพราะว่าจริงๆความเคารพนับถือเป็นอยู่ที่ใจเขา หมายความว่าจับได้ใจเขาอย่างนับถือมันรูปเคารพถูกทำลายไปยางไงก็ตามการนับถือก็ต้องมีอยู่ภายในใจเขานั้นแะแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสิ่งล่านั้นมันเป็นทรัพย์ทรัพย์มันก็มีค่าของมันพระพุทธเจ้าจะไม่มีคาสอนในลักษณะให้ทำลายทรัพย์ไม่ว่าจะสังหาริมาทรัพย์หรืออสังหาริมาทรัพย์แต่ให้ทำลายความอยากทำลาย ให้ทำลายความยึดจิตสิ่งเหล่านั้นก็คงอยู่อย่างนั้นเพียงแต่เราดึงจิตออกมาจากสิ่งเหล่านั้นไม่ไปทำลายตัวสัพว์ผลสิ่งที่ต้องทำลายก็คือความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในพวกวัตถุการมเหล่านั้นจำนวนบาลีนใช้คำว่าการนำออกและการละเสียสิ้นเชิงซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในโลกนี้เอง เป็นอุบายเครื่องออกจากโลกได้นี่เป็นเป็นความคิดไม่ธรรมดานะคิดก่อนจะเป็นพระอุตตมนะเป็นความแหลมคมลึกซึ้งคือมองเห็นเป็นกระบวนมาตั้งแต่ต้นแต่เรามองย้อนกลับไปที่ตอนเป็นพระจกุมานพระจันษาแค่ยี่สิบเก้าอนนะ ที่ทรงมองจากคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็มองว่าในโลกเนี้ยมีของที่เป็นคู่กันเป็นปฏิปักษ์กันมีมืดก็มีเย็นแก้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้มีเย็นร้อนก็มีเย็นแก้เนี่มีมืดก็มีสว่างแก่ก็แสดงเห็นว่าอาการของราคะตัณหาเหล่าเนี้ยบางทีเนี่ยท่านเรียกว่านั่นที่ราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน บางทีก็เรียกนั้นที่เฉยๆนะฮะบางทีเรียกว่านั้นที่ราคะหมายความว่าใจมันกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นสุขสมนัณรู้สึกว่าได้มีได้เป็นแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันไปการใหญ่สนุกสนานกันคือตามปกติแล้วก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนานะะมันจะเกิดอสัทธะคือความยินดีขึ้นและความพอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเนี่ยที่มันเป็น แล้วเราก็รู้นะฮะที่จริงเรารู้มันเป็นที่มันเป็นเราสังเกตเวลาเรารับประทานอาหาร <ouse> อาหารที่ต้องรับประทานก่อนรอ้อนในขณะร้นรนรอนๆ andan, <spe c> เราก็บอกว่า forward, รีบรับประทานเสียประเดี๋ยวมันจะเย็นนะ <spe c> พอ <บ S 2> อาหารที่เราต้องรับประทานในขณะที่มันยังเย็นๆอยู่ยังไม่ละลายอย่างพวกไอศครีมเป็นต้นเนี่ยเราก็บอกว่าวรีบรับประทานเสียประเดี๋ยวจะละลายหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเรารู้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันตั้งอยู่ได้เป็นขณะขณะขณะทียิบด้วยมีลักษณะเลื่อนไหลไ้ยของทีแต่ก็ใจก็กำหนัดเพลิดเพลิลนยินดีอย่างนั้นเองแล้วเราก็รู้นะฮะบางทีเนี่ยเผลอไปหน่อยคือไม่ได้รับประทานแล้ของมันมันหน้ามันเสียหรือว่ามันบูดหรือว่ามันเย็น ของแทนที่จะรับประทานตอนร้อนหรืมันเย็นไปก็เลยรู้สึกว่าไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไปนกําหนดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินแ้าถามว่าคุณค่าทางอาหารจริงๆเนี่ยสมมติว่าไอซ์รีมถ้วยหนึ่งรับประทานตอนมันละลายแล้วกับตอนที่มันยังไม่ละลายเนี่ยคุณค่าทางอาหารน่าคงไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าไอปริมาตรมันก็เท่ากันแต่ว่าด้วยความรู้สึก อร่อยหรือไม่อร่อยนี่จะต่างกันเพราะว่ามันมีลักษณะของอุปาทานอยู่ด้วยแล้วก็เรียกอะไรละ่ะคือก็สัมผัสมันหลายสัมผัสนะฮะสัมผัส ด, ด้วยตาก็รู้สึกว่าน่ารับประทานสัมผัส ด, ด้วยจมูกก็กลิ่นก็น่ารับประทานรู้สัมผัสด้วยลิ้นก็รู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยมันไม่ถึงก็เป็นน้ําทีเดียวอะไรเนี่ยมันก็ปรุงขึ้นเป็นอุปาทานนะฮะที่จริงก็เป็นลักษณะของอุปาทาน ร้นการความทุกต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นในที่นี้ก็ส่งพิจารณาเห็นนะว่าการนําออกเสียการนําออกคือดึงจิตออกนะฮะดึงจิตออกจากการคลุกคร้าวกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็แล้วกวละเสียคือละการกําหนดด้วยความกําหนัด หมายความว่ามองให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจก็จะไม่กำหนัดเรืยมหน้าของความเพลิดเพลินในสิ่งที่จิตมันเคยกำหนัดเพราะการถ่ายถอนต้องถ่ายถอนจากสิ่งที่เราเคยกำหนัดไม่ใช่ไปถ่ายถอนนยสิ่งที่เราไม่เคยกำหนัดโทษมันก็ต้องเห็นตรงนั้นแหละตัวคุณก็ต้องเห็นตรงนั้นทางออกก็ต้องเห็นการออกจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราสังเกตว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็อยู่ในโครงสร้างตรงนี้มันเป็นสภาพปัญหาแล้วก็สาเหตุในเกิดของปัญหาต่อไปก็ความไม่มีปัญหาหลักการวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเราแล้วอันนั้นก็เรียกขยายเต็มที่ตามโครงสร้างของอริยมรรคแต่ว่า ตรงนี้มันเป็นการแสดงอาการของสิ่งที่เป็นโทษแต่ว่าใจเราสัมผัสด้วยความก้าจใจผิดว่ามันเป็นคุณตัวอย่างที่ตอนที่ทรงสัตว์รูน้นะพระเจ้าได้รับสั่งว่าสังกับราโคปุริสัสกามโมความดำริเป็นกามของคนในโลกนี้และรับสั่งว่าดูก่อนกาม บัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํางดนี่เองต่อไปเราจะไม่ดํางดีถึงเจ้าอีกแล้วก็หมายความว่าในขณะนั้นตอนนั้นจ ะ, จะรู้แล้วนะพระทัยของพระองค์ก็ถูกดึงออกมาจากการเกาะเกี่ยวเกาะยึดติดอยู่ในพวกวัตถุการมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ตามก็ไม่มีความเกี่ยวเกาะ ไอ้กิเลสเป็นเหตุให้ไปดำริถึงด้วยอำนาจของความกำหนัดแต่ความเพลิดเพลินยินดีมันไม่มีวันจากบัดนั้นจนถึงไม่ผ่านแล้วก็ตลอดไปนะพระเจ้าก็ไม่ดำริ ด, ด้วยอำนาจความใคร่ในอารมณ์ที่ชาวโลกกำลังกำหนัดเพลิดเพลินยินดีกันอยู่เราเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าของเราแม้ในสมัยที่ยัง เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรูโลกทัศน์นี่ชัดเจนนะฮะที่เราพูดถึงวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยพูดไปพูดมามองเมื่อก็ส่องไฟฉายไว้ข้างหน้าเดี๋ยวข้างหลังในเพื่อนแอบมาข้างหลังตีหัวได้นะเพราะจริงวิสัยทัศน์แต่มันต้องมองเป็นแสงสว่างที่รอบตัวแล้วก็มองไม่ใช่จากสิ่งที่เราสัมผัส ต้องมองสิ่งที่สัมผัสไปหาสิ่งที่ยังไม่ได้สัมผัสมองอดีตมองปัจจุบันแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางในอนาคตแต่ในขณะที่สัมผัสกับสิ่งเหล่า น, นั้นในปัจจุบันนั่นเองมันก็มีวิธีการที่จะหาทางออกหรือหาประโยชน์จากสิ่งเหล่า น, นั้นได้มากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีปรรดาก็กำกับในลักษณะที่รู้เท่าทัน ตรงนี้จะจะรับสั่งซ้งาๆซากๆแนวตรงนี้จะเจอบ่อยที่สุดถ้าถามมาเพราะอะไร่ะเพราะว่าโลกมันมันตรงนี้ที่จริงเขาเรียกว่าทุกข์กับความดับทุกข์ที่ที่เราชอบออกมาพูดนะทุกข์กับความดับทุกข์เห็นว่าทางออกเนี่ยคือสภาพที่จิต มันถูกนำออกและการละเสียซึ่งความกาหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในวัตถุกรรมเหล่านั้นเป็นอาการของนิโรธจะเรียกว่าอะไรละ่ะการดับตัณหาเหล่านั้นการสละตัณหานั้นการถ่ายทอนตัณหานั้นการขายคืนตัณหาหนั้นนะคํคำเหล่านี้ก็มาใช้แล้วก็พวกสภาวธรรมทั้งหลายที่ใจไปกำหนดเย็นสุขโสมนัสเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ แต่เป็นทุกขเวทนาเป็นทุกที่จิตมันเสวยแล้วก็ด้วยความพอใจเพราะจึงมีความกำหนัดเพื่อเพลินยินดีอยู่ในสุกเวทนาเหล่านั้นทีนี้ถามมันมาจากอะไรล่ะสุขเวทนาก็มาจากโลภะตรงนี้เป็นการแสดงถึงทุกข์สมุทัยแล้วก็นิโรธนะะแต่ไม่แสดงมร์ถามว่ามร์มันมาตากไหนละ่ะมร์มันเป็นเหตุให้เกิด การนำจิตออกและการละเสียซึ่งความกำหนัดเดียหน้าความเพลดิดเพลินข้อความนี้คล้ายๆกับที่ทรงสแสดงในปฏิจจส ม, มุปบาทถึงเราจะเจอในอกาศต่อไปให้เราสังเกตปฏิจจส ม, มุปบาทจะเหมือนกันนจะไม่ขยายมากในสายเกิด เ, เรียกาสายส ม, มุทัยหวานกือสายเกิดก็จะทรงสแสดงในรูปของทุกข์กับส ม, มุทัย สาดับก็แสดงนิโรธแต่ว่าไปแสดงที่ผลหมายความว่าไปเริ่มที่ตัวยานซึ่งสร้างให้เกิดเป็นนิโรธขึ้นมนาะก็แสดงว่านิโรธตอนนัน้นเกิดขึ้นมาจากมรคนั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ทรงแสดงทับแต่ว่าตามปกติแล้วก็จะ บางครั้งก็ส่งแสดงเฉพาะทุกข์กับนิโรธเจ้เราเรียกว่าทุกข์กับความดับทุกข์บางครั้งก็ส่งแสดงเฉพาะทุกข์บางครั้งอาจจะแสดงเฉพาะสมุทัยก็แล้วแต่เป็นประยัยแห่งเทศนาเจดทรงนี้ทรงใช้คำสามคําคือวกคุณแล้วก็โทษแล้วก็ทางออก ถึงโทษนั้นก็เน้นเฉพาะที่มันเป็นสภาวธรรมประการหนึ่งโดยการที่ใจไปยึดติดประการหนึ่งซึ่งก็คงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาแล้วก็คงตลอดไปต้องฟังทั้งหลายแต่รมปรปุฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาอย่างเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมองกงามไพลบุญในธรรมจุ ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี